ท่านฟังคะในการสัมม น, น, นาสนทนาพบกับท่านด้วยการให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ฟังพระสูตจากพระมาแชาคาวโรกันเป็นประจํานะคะส่วนท่านที่ต้องการจะนำผู้ทวจนะที่ท่านมักอ่านไปไข้ครวญเองซึ่งดิฉันเองขนาดที่ก็ฟังและสนทนาโดยมีผู้ทวจนะที่พระอาจารย์นํามอกให้เป็นประจำเนี่ยถึยงได้ยังถือว่าเป็นคู่มือที่สําคัญ จะต้องอ่านไ ป, ปยนะคะอ่านแต่ละครั้งก็จะได้แง่มุมใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาท่านก็สามารถขอมาได้ที่ศูนย์สองสองหกเกศค่ะท่าอาจารย์ของท่านม้านะคะคือพระอาจารย์ทุกฤทโสุทธิพโลท่านก็ได้มอบมาให้กับพวกเราวันลาสามท่านด้วยกันค่ะตอนนี้ก็มาเป็นเวลาที่จะได้พบกับพระอาจารย์ไพล์ปนอภิปุปนโนจากวัดปาดอนหายโศกอุดรธา น, นีนะคะ กราบนเทศกาลนะท่านคะเชิญบานค่ะดี๋ยานขออนุ ญ, ญาตจะบอกท่านฟังเพิ่มเติมไว้นิดหนึ่งว่าท่านไผบูลนี่ก็มีบทบาทสําคัญอย่างยิ่งเลยในการที่จะสืบค้นข้อมูลในเรื่องของคําสอนของพระศ า, าสดาแล้วก็มีการรวบรวมมาไว้ในหนังสือหลายๆชุดของทางวณปะพงด้วยเหมือนกันนั้นเห็นท่านคริสต์ดได้เขียนในบทนำมานะคะว่าถ้าจำเไยบูรณ์ได้ค้นเพิ่มเติม พบพระสูตรในเรื่องคู่มือในเรื่องพระสูตรราบาลออยู่หลายพระสูตด้วยกันทุกวันนี้ท่านยังสืบค้นกันอยู่เสมอ ๆ, ๆเลยไหมคะใช่ใช่ถูกต้องคือเราอ่านลุยๆไปเรื่อยๆ ค, คือศึกษาพระวจนะเนี่ยออ่มันมีความมหัศจรรย์ของของเขาอยู่ในซึ่งซึ่งเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องในพุทธชีตีความมหัศจรรย์แปประการนี้ด้วยเหมือนกันอ๋อนั้นก็ จะพูดถึงส่วนนี้นิดนึงก่อนว่า<ะ>อย่างื่อที่เราอ่านซ้ำไปเรื่องเดิมเนี่ยซ้ำไปเรื่องเดิมเท่าที่เราอ่านมาแล้วเนี่ยมันได้เกิดความรู้ใหม่ๆขึ้นมาเพราะว่ามันไปเชื่อมกับสูตรอื่นๆที่เราอาจจะยังไม่นึกถึงมาก่อนเพราะฉะนั้นพอเราอ่านซ้ำไปย้ำไปนะสูตรใหม่เจอบ้างสูตรเก่ามาซ้าเชื่อมกับสูตรนี้เลยเห็นแง่มุมใหม่ออกมาอันนี้เกิด<ะ>ขึ้นหลายครั้งมากทีเดียว ค่ ะ, ะฟังสูตรสูตรบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะอันนี้สูตรเดียวกันกับที่นักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบอะไรหรือเปล่าพระสูตรในที่นี้หมายถึงอะไรคะัหมายถึงพระสูตรคือเรื่องบทสนทนาบ้างเรื่องเล่าบ้างเป็นคําอุทานบ้างเป็นเป็นพุทธวจนะบ้างนั่นเถอะค่ะถ้าจะพูดให้ถูกก็คือว่าสมมติเราอ่านพุทธวจนะบทนี้นะอ่านซ้ําไปอ่านซ้ําไปบางทีมันไปเชื่อมกับบทนั้นที่เรายังไม่ได้เคยคิดถึงมาก่อนต่างๆ ท, ที่สองบทนั้นเคยอ่านผ่านมาแล้วก็ตามค่ะอ ในเรื่องนี้ก็เลยจะมาสอดคล้องกับวันนี้ที่เราพูดถึงพุทธเจนตีนะว่าความมหัศจรรย์นในธรรมวินัยที่พุทธจ้าได้พูดถึงไว้มี8ประการอย่างแรกเนี่ยคือเปรียบเทียบกับทะเลพุทธเจ้าเปรียบเทียบับทะเลว่ามีความมหัศจรรย์8อย่างอย่างแรกก็คือว่ามหาสมุทรเนี่ยมันต่ําลงไปโดยลําดับลาดลงไปโดยลําดับลึกไปโดยลําดับนะไม่ลึกดิ่งชั้นลงไปทันที นะั่เปรียบเหมือนกับในธรรมะวินัยนี้เนี่ยมีการศึกษาไปเป็นตามลําดับนะัมีการกระทําเป็นตามลําดับมีการปฏิบัติไปตามลําดับนะัไม่ใช่บรรลุอรัตผลโดยทันทีค่ะคือหมายความว่าคุณก็ต้องค่อยๆปฏิบัติไปตามลําดับนะบมีศีลสมาธิปัญญาไล่ไปนะัคือไม่ใช่ปุ๊บปัญญ๊บนะคุณมาทําตุ้มบรรลุเป็นประธานโอ้โหโรคระเบิดมันไม่ใช่เงินค่นะนี่คือข้อที่1นึ่งข้อที่2พระเจ้าบอกว่าในหมาสมุติเนี่ยมีปกติไม่ล้นฝั่ง คือน้ำมาหาสมุทรเนี่ยจะไม่มีทางล้นฝั่งมันก็จะมากขึ้นเรื่อยๆลดลงเรื่อยๆตามระดับของมันใช่ไหมเรา<ะ>ไม่เคยเห็นน้ำมาหาสมุทรล้นฝั่งสักทีเพราะฝั่งมาหาสมุทรไม่มีนั่นะคือเปรียบเสมือนกับสาวกทั้งหลายของพระองค์ะจะไม่ละเมิดสิขาบทที่ทรงบัญญัติไว้แม้เพราะเหตุแห่งชีวิตนะคือค่าน่านคะอาารยิฉันขอประธานโทษนิดหนึ่งที่ว่าไม่ลดฝั่งเนี่ยน้ําท่วมมันไม่ใช่น้ําล้นเหรอคะท่านคะคือนั่นคือฝั่งที่เป็นแม่น้ำไง อ๋อ oh, oh, oh, oh. เป็นแม่น้ํา <Okay. S 2> แต่น้ําทะเลเนี่ยมันไม่มีฝั่งของทะเล hmm. อ่าคือมันไม่มีทางล้นฝั่งทะเลได้คือนน้ำมันก็ขึ้นไปตามลําดับของมันค <Okay. S 2> อเหมือนกันกันกบอริยสาวกในธรรมะวินัยนี้จะไม่มีทางล้นฝั่งไม่มีทางละเมิดศีได้เด็ดขาด <Okay. S 2> ข้อที่สามพระเจ้าเคยเปรียบเทียบลักษณะของมหาสมุทรนะกับธรรมวินัยว่ามหาสมุทรเนี่ยจะไม่อยู่ร่วมกับซากศพนะคือคลื่นเนี่ยจะซัดซากศพขึ้นหาฝั่งเสมอ เช่นเดียวกันกับบุคคลที่ทุศีลถ้าอยู่ในธรรมะไว้ในนี้เนี่ยจะต้องหลีกออกนะคืออยู่ไม่ได้คือเหมือนกับคนตายนะเนี่ยคนที่ทุศีนเนี่ยนะคือเหมือนกับคนตายในที่นี้คุณจะอยู่ร่วมกับภิกษุษสงฆ์อื่นๆที่อยู่ในมาหาสมุทรเนี่ยไม่ได้คเราเห็นข่าวปราจำนะคุณโยมติ๋วก็ที่ที่เขาบอกว่าพระทุศีลออกนั่งสือพิมพ์นานเห็นแล้วอีกศพหนึง่งอือามาคิดอย่างนี้นะก็สบายใจได้ละ <c oughs> ข้อที่สนะี่นั่นคือแม่น้ําทุกสายจะไหลรวมลงที่มาสมุทรทั้งสิน้นนะฮะผู้เจ้าเปรียมเหมือนกับพวกวันณะทั้งสนะี่นั่นคือกษัตริย์พราหม์แพทย์สูตรพวกนี้จะออกบวชแล้วก็รวมเรียกกันว่าเป็นสมณะทั้งสิน้นละชื่อเดิมละโคดเดิมนะเป็นสมณะเชื่อสายสักยบุตรเหมือนกันหมดค่ะ <c oughs> ข้อที่ห้ามาสมุทรนี่เป็นลักษณะที่เรียกว่า เมื่อฝนตกมาหรือแม่น้ํำสายใดสายหนึ่งเข้ามาเนี่ยมหาสมุทรนี่จะไม่เต็มหรือทําให้พร่องได้คือถ้าน้ําขาดมหาสมุทรก็ไม่พร่องน้ํามามากมหาสมุทรก็ไม่เต็มแตเช่นเดียวกันคือเบียดชุมนุมพิสูจนี่ยที่ปรินิพานด้วยอนุปาที่เสสานิพานธาตุเนี่ยพร้อมกันเป็นหลายหมื่นหลายแสนเนี่ยนิพานก็ไม่ได้เต็มค่ะหมายถึงว่าไม่ได้หมดโค้ต้าอ่าไม่ได้หมดโค้ต้าไม่ลดลงไม่ได้เพิ่มขึ้นยังมีอยู่ แล้วก็มหาสมุทรนี้มีรสชาติรสเดียวคือรสเค็มน้ำเปรียบเสมือนกับในธรรมะวันไห น, นี้ทุกหมดทั้งหมดเนี่ยรวมลงที่รสเดียวคือรสของวิมุตมติรสคือรสแห่งความหลุดพ้นค่ะ <Okay. S 1> แล้วข้อที่เจ็ดนั้นในมหาสมุทรนี้มีทรัพย์สินมากมายทั้งเพชรดินจินดาแก้วแหวนเงินทองมีคนเคยเปรี้ยวที่คุณยมติวเขาบอกว่าเอาน้ําทะเลมาหนึ่งเม็ดติกตันเนี่ยน้ำทะเลหนึ่งเมตรติกตันเนี่ยน่าจะมีทองคําอยู่กี่กรัมไม่อาตมาไม่แน่ใจนะ เขเคยประเด็จเทียบไว้อย่างนี้ถ้าใครใคิด process, กระบวนการตรงนี้ได้แล้วคุณก็สามารถรวยขึ้นได้ละ่ะเช่นเดียวกันในในธรรมวินัยนี้นะมีโอ้โหสิ่งที่มีประโยชน์มากมายหลายอย่างอย่างน้อยก็มีสติปัฏฐาน4สมปัฏฐาน4ี่ยติบาทสอินรียห้พวกนี้อยู่ในธรรมวินัยหมดเลยนะเหมือนกับมหาสมุทรมีทรัพย์มากอยู่ในมหาสมุทรอย่างนี้นะ และข้อที่8ปดนะครชาเปรียบเทียบ ว, ว่าในหมหาสมุทรเนี่ยเป็นที่อยู่ของสัตว์ใหญ่ๆหลายชนิดนะเช่นอสูรหน้าคนทันปลาวานปลาชนิดตัวใหญ่ๆที่มีตัวใหญ่ร้อยยอดบ้าง200โยยอดบ้างหนึ่งยอนี่สิบสิบกิโลเมตรนะปลาชนิดตัวใหญ่ๆที่เรายังค้นไม่พบเนี่ยก็มีเยอะแยะอสูรกายอะไรในน้ําทะเลมีเยอะแยะพวกไดโนเสาร์อะไรที่เขามีหลักฐานเชื่อกันว่ามีก็มีอยู่ในทะเลนั่นแหละ เช่นเดียวกันเปรียบเทียบกับในธรรมะวินัยนี้นะมีบุคคลใหญ่ๆอยู่มากนะคือโสอดบันบุคคลบ้างอนุามีบุคคลบ้างสกทาข้ามีอรหันต์ที่เป็นบุคคลที่ยิ่งใหญ่นะอยู่ในธรรมะวินัยนี้มากเช่นเดียวกันค่ะนี่คือลักษณะที่เปรียบเทียบธรรมะวินัยแปประการเทียบกับมหาสมุทรค่ะโอ้ทานฟังค่ะเห็นว่าผู้ทรงนี้เปรียบเทียบได้ชัดมาก ก็เป็นสิ่งที่ท่านธุบุ์ตั้งใจเอามาให้พวกเราได้รับความรู้นี้แล้วก็จะได้ถวายเป็นพุทธบูชาพุทธชียนตีใช่คงจะต้องพูดถึงบ่อยๆนะคะแต่ฉันชอบจริงๆเลยในการนี้นนนที่บอกว่ามหาสจัย์ของธรรมะเปรีย บ, บกับทะเลที่จะต้องมีลำดับเราเห็นข้อหนึ่งคื อ, อที่ตอนที่สึนามิใช่ไหม คนคตายเนี่ยเป็นเบื่ออะไรคุณโยมติ๋วฝั่งทะเลเท่านั้นไม่มีคนตายอยู่ในน้าทะเลนะอะมหาสมุทรจะไม่อยู่ร่วมกับซากศพใช่คือจะพัดซากศพขึ้นสู่ฝั่งทั้งหมดอเพราะฉะนั้นคนทุศีลจะอยู่ในศาสนาของพระาศาสดาไม่ได้ไไดในธรรมะของพระาศาสดาไม่ได้ใช่นะคะมหาสมุทรไม่ล้นฝั่งใช่แม่น้ำทุกสายจะไหลรวมลงที่มหาสมุทรทุกวันนะเข้ามาอยู่ในศาสนาพุทธ ของกษัริยสดาแล้ว เ, เท่ากันหมดถือว่าเป็นสมณะในศักยบุตรเหมือนกันหมดคือดิฉันจำได้ว่าที่มีการพูดถึงพุทธประวัติว่าเพราะทรงพบความจริงอันนี้ว่าใครก็ได้สามารถที่จะอยู่ในธรรมวินัยของพระองค์ได้ก็เลยทำให้มีคนที่อินเดียจำนวนไม่น้อยทีเดียว เลยเปลี่ยนมาอยู่ในธรรมวินัยนี้แทนอืมเพราะว่าทําให้เขาไม่ต้องไปมีความทุกกับการที่ต้องถูกกีดกันจากโอกาสในสังคมอืมเพราะเกิดมาผิดที่อะไรยเงี้ยค่ะใช่ฮะแล้วก็เออ่มีรสชาติเดียวคือเค็มนะอืมคือรสของวิมุตต์นั่นเองไอ้ตรงเนี้ยหลายคนอาจจะแบบข้องใจเลยนะคะว่าจริงๆต้องการรสชาติของชีวิตเปรี้ยวหวานมันเค็ม อพอบอกว่ารสชาติของธรรมะของพระพุทธองค์มีรสเดียวเนี่ยขอคิดดูก่อนแต่ถ้าคิดอย่างนั้นนี่เสียโอกาสจริงๆอืคือเค็มเนี่ย<อ>มันก็เค็มไม่เหมือนกันนะค่ะคืออย่างน้ําทะเลที่ลึกๆ ก, ก็เค็มแบบหนึง่งน้ําทะเลตื้นๆก็เค็มแบบหนึ่งน้ําทะเลที่อิสราเอลที่มันเค็มมากๆนั่น ก, ก็เค็มแบบหนึง่งแต่สุดท้ายคือรสที่มันสุดยอดละของมนุษย์ที่ควรจะได้แล้วก็ได้กันไม่ได้ง่ายๆนะก็คือวิมุตติรส ใช่ใชอย่างไรเสียอย่าเพิ่งหมดกําลังใจดิฉันชอบตอนที่บอกว่าอะไรนะคะนิพพานที่อืไม่เต็มที่ไม่มีวันเต็มเนะใชไม่ว่า<ม>เ อ, อน้ําทะเลเออคือน้ําจากมาสมุทรฝนตกน้ําจากแม่น้ําเนี่ยจะไหลามามากขนาดไหนเนี่ยมาสมุตก็ไม่เต็มตอนที่เราดูน้ําแม่น้ําเจ้าพระยาตอนช่วงน้ําท่วมเมือ่อมาปลายปีที่แล้วนะคุณยมติวอู้น้ํามากจริงๆมันไหลไปที่ไหนนี่เราก็ยังงงอ๋อมันไหลลงทะเลอ๋อแล้วทะเลไม่เต็มเหรอ แล้มามีความคิดว่างี้โอทะเลมไม่มีทางเต็มเนี่ยมันก็เลยหลายคนอาจจะคิดต่อเรื่องน้ำท่วมโลกเนี่ยที่มันมีการพยากรในาศาสนาอื่นด้วยนะคะออว่าเถ้าอย่างนั้นยังเป็นสิ่งที่ไม่ไปด้วยกันหรือไปคนละทางกับที่พระพุธองตรัสไว้ในเรื่ อ, นยอยงนี้หรือไม่ อืมก็คืออย่างนี้ว่าที่ผู้เช่าเปรียบเทียบกับน้ําทะเลไม่เต็มขึ้นมาเนี่ยก็คือว่าออย่างมาตรฐานในการวัดระดับของเราเนี่ยอย่งใช้ระดับน้ําทะเลปานกลางเนีย่ยใช้พูดถึงระดับของน้ําทะเละน้ำทะเลมันอยู่ที่นี่มานานแล้วถ้ามันจะเต็มขึ้นเนี่ยมันก็คือมันก็คือมากขึ้นไปเท่านั้นเองคือบอกว่าคือมันจะไม่ได้ว่าล้นฝั่งคือมนุษย์ก็ต้องขยับขึ้นไปตามระดับของน้ําทะเลเขาเนี่แหละอืมอืมแต่นี่เป็นคําของพระศาสดานนะคะผู้ที่ได้ รับการยอมรับว่าเป็นผู้เลิศแห่งโลกอัอ น, นหนึ่งที่อาจะมาคิดว่าน่าสนใจมากเลยก็คือว่าในมหาสมุทรเนี่ยมีทรัพสมบัติมากมายแล้วมันมาสอดคล้องกับงานวิจัยของปัจจุบันไงคุณโยมติว <c oughs> ที่เขาเอาน้าทะเลมาประมาณหนึ่งล้านลูกบาทเมตรเนี่ยนะจำตัวเลขไม่ได้เท่าไหร่เขาเอามาสกัดทองคำแล้วก็พบว่ามีมีทองคาในน้าทะเลอยู่ มากทีเดียวหลายกรัมทีเดียวในน้าทะเลประมาณหนึ่งล้านลูกบาตกเมตรเนี่ยนะคะก็เรียกว่าเป็นภูมิขะแนเป็นปัญญาที่รู้แจ้งรู้ทุกเรื่องของพระพุทธองค์อืมรู้แม้กระทั่งว่ามีทรัพย์สินทุกประเภทอยู่ในมหาสมุทรเผลอๆนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจะไปศึกษาคําพุทธเจ้าก็ได้นะคะก็เลยลองทดลองดูซิว่าจริงหรือเปล่าอืแต่ที่หน้าที่เราควรรู้ก็คือสาระที่ท่านกำลังจะเปรียบอุปมาให้เห็นว่า ธรรมะของพระพุทโธนั้นเป็นอย่างไรนะคะใช่ใช่แล้วก็ในการปฏิบัติของเราตรงนี้เนี่ยต้องเน้นย้ำว่ามันจะค่อยๆไปเป็นลำดับนะผู้ชมพูดถึงการปฏิบัติที่เป็นลำดับเหมือนกับไหลทะเลที่ค่อยๆลาดไปอย่างไปอย่าไปท้อแท้ทอถอยอ่อนแอว่าไม่ได้ทำไมไม่เห็นก็ค่อยๆทําไปลำลำดับ คะนะคะค่อยๆทาค่อยๆไปบางคนก็จะบอกว่าโหเนี่ยไปตลอดเวลาเลยเดี๋ยวไปเข้าคอร์สนเดี๋ยวไปเข้าคอรสนี้ชีวิตไม่มีอะไรเลยจัดกระเป๋าเข้าคอร์สอย่างเดียว <c oughs> ดิฉันเลยมีคําถามที่บอกว่าค้างไว้ตั้งแต่วันก่อนนู่นนะคะ <c oughs> มีเพื่อนเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเหนื่องยงกับการเข้าสังคม <c oughs> เพราะว่าสังคมของเขาเนี่ยเป็นสังคมที่เขาพูดถึงคนอื่นข้างหลังอเดินผ่านไปปุ๊บ ก, ก็พูดถึงทันที แล้วก็ที่น่าเหนื่อยใจของเขาก็คือว่าผู้ที่ขยันพูดถึงคนอื่นข้างหลังล้วนแล้วจะเป็นผู้ที่เข้าคอสปฏิบัติธรรมบ่อยอรัท่านค่ะอ๋ออืมเนาะทีนี้ดิฉันก็เลยจะกราบเรียนถามนะคะว่าเอ๊ะการไปเข้าคอสปฏิบัติธรรมเนี่ยเพราะว่าท่านพูดใช่ไหมคะว่าเราไม่ควรติดเตยนใครเราไม่ควรอะไรใครใช่อ่า มันไม่ไม่สามารถทําให้เราเกิดความรู้สึกไม่อยากจะพูดถึงใครรับหลังในลักษณะที่ไม่ค่อยดีโดยอัตโนมัติเหรอคะคือบางคนไปหลีกเล่นปฏิบัติคุณโยมติ๋วอันนี้ต้องพูดความจริงนิดหนึ่งว่าบางคนไปหลีกเล้นปฏิบัติเนี่ยเอากิเลสไปอวดกันเอากิเลส ไ, ไป<ร>ไปอวดที่วัดอย่างเงี้ยว่าฉันมีกิเลสมากนะฉันมีทรัพย์นะฉันเอาขับรถมานะฉันเป็นคนอย่างนี้นะฉันเลิศหรูอลังการฉันไฮโซอย่างนี้นะแล้วก็ไปไฮโซที่วัดอย่างเงี้ยนะเข้าใจไหม คือไปหาครูบาอาจารย์ไปวัดแทนที่คุณจะเอากิเลสเก็บๆหน่อยนะอย่าเอาความตัณหามาโชว์มากกับยิ่งไปโชว์มากอันนี้ยิ่งไม่ได้ประโยชน์ก็้าใจไหมเพราะฉะนั้นบางทีไปหลียนในปฏิบัติธรรมคุณคุณคุณควรจะต้องคุณควรจะต้องอย่าเอากิเลสของตัวเองไปโชว์ไปหาครูบาอาจารย์เอากิเลสไปโชว์ทีนี้ที่มากราบเรียนถามท่านเนีไม่ได้คิดว่าจะตำหนิใครนะคะแต่นี้บางทีเนี่ยเราอาจจะไม่ไปไม่ถึงว่าพออยู่ในสังคมปุ๊บเขาพูดเราทําไงได้เราอยู่ในวงนะ มันก็ต้องห้าให้ออขารับไปเรื่อยๆอ่ามันดีมันไม่ดียังไงแล้วเราควรจะแก้ไขอย่างไรถึงจะทําให้การที่เป็นคนฝักไฟในการปฏิบัติของเรามันไม่เสียหายอะไรต่างๆไปหาเพื่อนใหม่เลยคุณโยมติว๋วเพื่อนพวกนั้นเป็นคนผ่านการยุ่งกับคนผ่านไม่ดีเป็นมิตรชั่วอย่าไปยุ่งกับมันแล้วไปหาคนอื่นทีนี้เหมือนกับว่าเราเนี่ยเป็นคนไม่ได้ไปเป็นเล่ห์เล่นอันนี้ดีฉันไม่พูดเราวกับคนที่ตั้งคําถามเนี่ยเป็นคนมมไม่ได้ไปเป็นเล่ห์เล่น แต่ในขณะคนที่ท่านกำลังจะแนะนําให้ห่างจากพวกเขานะี่ยคนพวกนั้นก็เป็นพวกหลีกเล้นประจําอ้าวเราก็ต้องไปดูสิว่าด้วยอากับกริยาแห่งการไปหลีกเล่นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขากิเลสน้อยหรือกิเลสมากนะอะคนที่อยู่บ้านไม่ค่อยได้ไปไหนถ้าคุณทํางานอย่างดีเลี้ยงดูพ่อแม่อันนี้มีธรรมะมากกว่าคนที่ไปวัดเล่ากิเลสไปโชว์คนอื่นอีกงั้นในขณะเดียวกันถ้าถามใหม่นะคะว่าถ้าเช่นนั้นเอไม่ต้องไปหลีกเล่น สำหรับคนบางคนที่ไม่มีโอกาสแต่มาปรับที่พฤติกรรมของเราเช่นพฤติกรรมในการที่ชอบเมาส์จะเจริญในทำอย่างไรไหมคะอ๋อเมาส์นี่คือพูดพูดอัปเจอรใช่ไหมคือเมาส์เนี่ยมันเหมือนกับว่าพูดเรื่องไม่ค่อยมันบางทีก็พูดไปเรื่อยบางที่ก็พูดแล้วเอพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นอ่าก็ต้องเลิกซะอืมคื อ, ค, อคือการเดินอยู่ในมาร์เนี่ยคุณจะเดินที่บ้านก็ได้คุณจะเดินกับเพื่อนคุณก็ได้คุณจะเดินกับครอบครบัวก็ได้ไม่เป็นไร น่นได้ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถ้าเราเราเดินตามมาร์กแล้วแล้วเราก็อยู่ที่ไหนเราก็ทำได้เราก็ให้คบกับหมู่คณะเพื่อนที่เดินตามมาร์นี่ถึงจะถูกค่ะ<อ>งั้นมาถึงตอนนี้พอดีเวลาใกล้จะงวดเต็มทีท่านก็คงจะต้องสรุปว่าหากท่านเป็นผู้ฝากไยในการปฏิบัติคิดว่าตนเองปฏิบัติอยู่แล้วยังต้องหลงไปอยู่ในแวดวงในทํานองนี้ มันจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีท่านต้องอปรับออกแก้ปลีกออกนะค ะ, ะในขณะเดียวกันท่านที่ไม่ได้มีโอกาสไปปฏิบัติแต่มีจิตใจที่ฝากฝ่ายท่านสามารถจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของท่านให้เป็นผู้ปฏิบัติด้วยการใช้ชีวิตประจําวันให้เป็นไปตามธรรมเช่นเลิกการเมาเสียอย่างนี้เป็นต้นถูกต้องดีมากเลยนะคะก็เรียกได้ดว่าธารรมะที่มันเกิดประโยชน์ในชีวิตประจําวันเนี่ยนะคะ เราก็ไม่ได้พูดขึ้นมาเพื่อที่จะไปกล่าวหาใครว่าใครแต่เราพูดเป็นหลักการเพื่อที่ให้ท่านเกิดประโยชน์จากการได้รับความรู้ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นพบเห็นอยู่ทั่วไปแม้แต่กระทั่งตัวของเราเองดิฉันเองก็เตือนตัวเองอยู่ด้วยนะคะคราว น, นี้ก็ต้องกราบนรมาสการท่านเพบูนขอบพระคุณสําหรับทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยแล้วก็ท่านคงจะเหนื่อยหน่อย mm hmm. <laughs> ในช่วงนี้เพราะว่ายังไงรายการของเราก็คงต้องจัดกันสมหวัเสมอนะคะ <Yeah. S 1> ค่ะกราบขอบพระคุณท่านแห่งสูงเลยคะ่ะ mm hmm. การต้นฟังที่ทรครบคะนั่นคือพระพิบูลอภิปุโนจากว่าปาดอนาฮโศกซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรหลีกเร้นของทางวัดซึ่งจัดอยู่เปนประจําเดือนละหนึ่งครั้งด้วยแต่ว่าช่วงปิดเทอมท่านก็จัดให้มากขึ้นเป็นพิเศษและขณะนี้ก็กําลังอยู่ในช่วงปฏิบัตินะคะท่านใดที่สนใจท่านก็ลองเข้าไปในเว็บไซต์ของอท่านพิบูลเองก็ได้เพียวธรรมะดอทคอมหรือว่าจะเข้าไปที่หลวงพ d o ด็อกเตอก็ได้นะคะท่านพิบูลเอง จะไปจัดรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสาร์อาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้ที่จะทําให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันต่อเนื่องด้วยส่วนรายการของเรานะคะจะกลับมาพบกันพร้อมกันทั้งหมดเมื่อจะเป็นท่านมาร์คพระมาชาควโรท่านไปบูรดิฉันสนศนีนาคพงศ์พร้อมทั้งการแจกหนังสือที่ท่านอาจารย์คริสติสโธติพลโรหนังสือชุดพุดทธวนจะนะมอบให้มาด้วยนะคะการอย่างพร้อมเพรียงกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้พุทธวสวัสดีคะ่ะ